พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่24กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าพระพุทธรูปหลายปางลูกหมอ ลูกหมอลูกพออลูกพออโรงพยาบาลอำเภอนายงไงนังไงซะละโผกเข้าทั้งหลายสมัยเป็นเด็กน่อยยนะังสี่หละกรแมนลวงพอเนี่ยเป็นแม่หลองพ่อเอากล้ามปูขีบออกขีเอเอกไปเลยแต่นี่เหตุจังไงรบะบาดนี้ โอ้ oh. สาวไม้เฮาเป็นเด็กหน่อยแบบนี้แหละคือกันเนี่ยว่านั่นต้องเห็นใจพ่อแม่ที่เลี้ยงเฮามา oh. เป็นพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณกับพวกเฮาทั้งหลายขนาดกินอยู่ในป่าขันว่าลูกอยากกินอลไรก็ต้องค่ายให้ลูกกินพอความรักลูกลูกหนึ่งเออจะใจเจ้าของกันหรไป เพราะมันยังหน่อยใจเจ้าของพอใหญ่ขึ้นมาบางคนก็นยังเอาใจจเอาแต่ใจเจ้าของอยู่น่าจะลดลดลาวาศอกเมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วก็น่าจะระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ที่เลี้ยงดูนู่นแหละาบางคนก็ได้ลูกมานน่นอะ่ะพอได้ลูกมาแล้วก็ลูกเอาแต่ใจตัวเอง ยังคข่ยระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่บางคนก็ยังระลึกไม่ได้อีกว่าโนไป อ, อ, อยากแย่งสมบัติอยากแย่งความอะไรให้ตัวเองมากๆเพื่อให้ลูกตัวเองอีกตัวเองไม่หานะตัวตัวเองไม่สสแสวงหาแต่พ่อแม่หามาสาหรับลูกทุกคนตัวเองเนี่ยนะเขาไปแย่งกลัวจะไม่ได้มากในบรรดา ลูกพี่น้องด้วยกันทะเลาะกันทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจบางทีตอมใจตายก็มีพ่อลูกไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีตังเยอะแยะโลกเนะี่ยสรุปแล้วก็คือนี่แหละเ อ, อาแต่ใจตัวเองถ้าเรามองกว้างในเมื่อเราเป็นเด็กเป็นยังไงในเมื่อเราเป็นพ่อแม่ได้ลูกมาแล้วลูกของเราเป็นยังไง ถ้าว่าใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนกันกรองไตร่ตรองอด้วยเหตุด้วยผลแล้วนั่นนะความถูกต้องเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นในในตัวคนนั้นๆั้ทางว่าไม่ได้คิดเหล่านี้แหละมีแต่เอาใจตัวเองมีแต่อยากอย่างเดียวมีแต่อยากจะได้อย่างเดียวมีแต่โลภอย่างเดียวมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบพี่น้องอย่างเดียว มีแต่จะเอ า, เอาพ่อแม่หามาอยากจะได้คนเดียวไม่อยากจะแบ่งให้พี่น้องนั่นแหละพ่อแม่พี่น้อง อ, อยู่ด้วยกันเป็นยังไงถ้าได้ลูกเช่นนั้นหลานเช่นนั้นละ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอ้ลำบากใหญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะมีแต่เอาแต่ใจตัวเองถ้าเป็นเด็กเออก็ไม่ว่าการนะมันเด็ก อย่างสํานึกไม่ได้กําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวน่าจะใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบหัวใจแม่หัวใจพ่อหัวใจวงสาคขาญาติเห็นหัวใจครูบาอาจารย์ในเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเราทําอย่างนี้เป็นยังไงในเมื่อเราเป็นสิทธิเ์เราควรทําตนอย่างไร กับหมู่พวกเพื่อนกับครูบาอาจารย์ในเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์ลุงพ่อก็ได้คิดถึงเหมือนกันอเราจะเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ได้เราก็ต้องมองครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เราเคย อ, อยู่กับท่านจุดไหนอที่เห็นแล้วว่าเออจุดนี้มันหนักเกินไปหรือเบาเกินไปหรือว่าอืมันดูดูแล้วไม่เหมาะ อันนี้เราก็ผ่อนผันหย่อนยานลงมาแต่พอหย่อนยานลงมาอยู่กับตัวเองเนี่ยปัญหาเกิดขึ้ น, นโอ้ไม่ได้มันต้องวิ่งเข้าไปหาจุดนั้นอีกใจใจๆจใจครูบาอาจารย์ที่ท่านทำอย่างนั้นถูกต้องแล้วท่านทดสอบทดสอบทดลองมาแล้วเราเนี่ยนี่น่ะถ้าพูดเป็นภาษาชาวชาวบ้านเขาเขว่าเราไปเสือ่อมเหมืนกอ กูบาอาจารย์พาดำเนินมาดีเราตื่นเกินไปมั้งย่อนตัวนี้ไปดูซิเป็นยังไงเทั้งที่ท่านได้กลั่นกรองไตรตองประสบประการณ์มาแล้วที่ผ่านมาเราก็ย่อน เ, ออเพื่อจะให้การปกครองดูแลไปง่ายๆลาบรื่นในความรู้สึกแต่ที่ไหนได้กินเลทมันเข้าไมาเหยียบเน่นโอ้หอบสิ่งของหนีจะไม่ทันเอา อย่างนี้มันก็มีนะนี่แหละการปกครองเราจะได้แต่อย่างใจเอาอย่างใจตัวเองคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องอ่านเหตุอ่านผลอ่านเรื่องอ่านเราอ่านคู่อ่านคนบางทีครูบาอาจารย์ท่านอ่านท่านมีประสบะการณ์มาแล้วที่ท่านจังทำอย่างนี้แต่พอเราเข้มเกินไปเข้มงวดเกินไปน่าจะย้อนยานกว่านี้ น่าจะยืดหยุ่นกว่านี้แต่ครูบาอาจารย์แข็งเกินไปจนถึงจะบางทีถึงจะแตกหักเอาจนได้ถ้าเป็นอย่างเราเราไม่เอาเราเราจะเอาแบบยืดหยุ่นนี่นพอเอามาเอายืดหยุ่นพอยืดหยุ่นที่ไหนได้เท่านลูกน้องแตกไปคนละทิศละทางการปกครองอตอต่อต่อต่อต่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทําอย่างนั้นถูกต้องแล้วอย่างนี้ก็มีแต่งเยอะแยะนะ เพราะนั้นสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงเป็นแนวการปกครองและการอยู่ร่วมกันมันมีหลายหลายอย่างขนาดนิ้วมือของเราก็ยังไม่เสมอกันใช่หมนิ้วโป้งทำไมเป็นใหญ่ทำไมมาจึงสั้นนิ้วต่อไปนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมันมันคนละอย่างกันมันไม่ไม่เหมือนกันนี่แหละ การดูแลปกครองก็ลักษณะอย่างนั้นนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกครองลูกศิษย์ลูกหาบางคนบางทนขั้นก็ให้แนะนำอย่างหนึ่งบอกอย่างหนึ่งแต่บางคนพอเห็นเึงเหมือนกับปลากัดว่างั้นเถอะคล้ายๆว่าจะขู่ขู่ลูกเดียวฮะแต่ตามไม่จริงท่านก็มีเมตตานะแต่ถ้าคนนั้นมันเป็นนิสัยมันรือ้อมันรืออ้อจนในใจ ท่านก็ต้องวางเหมือนปากัดเนาะคล้ายๆวก็จะเตรียมตัวขู่ไว้อยู่เสมอเพราะนั้นการดูแลการปกครองลูกน้องไม่ใช่ธรรมดาอันนีน้ก็คือการเป็นอยู่การเป็นอยู่ของกลุ่มของหมู่ของคณะจะให้แบบเดียวกันไม่ได้สรุปแล้วต้องมีนิสัยแต่ละคนอุปนิสัยแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกันเราจะปกครองแบบเหมือนกันไม่ได้แต่ตัวมาตรฐานตัวปกครองแบบเดียวกันมีอยู่แต่ว่าการแนะนำแลว้วกาการวางตัวกับผู้นั้นๆต้องระมัดระวังอันนี้เนี่ยอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นความพอดีและความ เ, เทคนิคแต่ละครูบาอาจารย์ถ้าเราสังเกตเราจะรู้นะแต่เราไม่สังเกตเราไม่รู้หรอก พอการชุมชนกลุ่มใหญ่ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นที่หลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์ตัวเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่ว่าหลวงตาเนี่ยปัญญาของหลวงตาเนี่ยเลิศประเสริฐแต่บางคนเข้าไปหาเนี่ยถูกกันพูด อ, อันนั้นแต่พอคนหนึ่งเข้าไปเนี่ยค้เหมือนกับเป็นอริสตูกันอย่างนั้นละ แต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่คึงไม่ได้ปล่อยเล่เหลี่ยมให้แบบง่ายๆแต่วางโค้นเข้าไปนะโอ้เข้าไปเลยรู้จักมักคุ้นสัมมาคารวะพูดคุยกันได้โดยเฉพาะ อ, อย่างเยี่งอย่างหลวงตาเนี่ยหลวงตามหาบัวเวลาหลวงพ่อไปตามลําพังเข้าไปกราบท่านท่านพูดอะไรให้ฟังมีอะไรก็นั่งคุยจากนั้นทา่านเอ อ, เ, อ, เ, อเราปวดขาแบบเป็นมอดเช่นให้หน่อยครับผม แต่วัยทานบางทีท่านก็นคุยเรื่องนั้นคุย เ, ใใ เ, ร เ, เรื่องนี้ให้ฟังเราก็เอ๊ะเรื่องราอน่าจะเป็นอย่างนี้วะน่าจะเอาพระเข้าไปพูดคุยเอาไปเข้าไปหาหลวงตาด้วย เ, เพื่อท่านจะได้บอกพวกลูกพกหมูเพื่อนก็จะได้ฟังในความเสื่อของเราเราก็เอาพระเข้าไปพอเข้าไปที่ไหนได้โอ้โหขึงไม่เหมือนไม่เหมือนเรา เข้าไปตามลำพังเล้วกันโถโถโถโถโถนี่แหละอันนี้ก็คือกูบาอาจารย์ท่านต้องวางหมาดชั้นเชิงเล่เหลี่ยมในการปกครองสิทธิ์ไม่เหมือนกันสรุปแล้วแต่และอุปนิสัยไม่เหมือนกันบางคนก็ใช่จริงอยู่ ท, ยท่านท่านไว้เนื้อเชื่อใจแต่ก็ะ่น้นท่านก็ต้องระวังระวังอีกว่า มันจะประมาทเราไหมเลยถ้าเรายอมตัวระวางตัวอย่างนี้แ ต, แต่บางท่านบางคนก็เอมคงไม่มีอะไรท่านก่อนเนี่ยเหมือนเล่นกับลูกลู ก, ล, กล้านหลานเด็กๆไปอย่างนั้นคือความไว้ใจนี่แหละอันนี้เราเห็นชั้นเชิงเรว่าเล่เรียมที่องค์หลวงตาวางกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหลงพ่อย หลวงตาเนี่ยลูกดกละเกินมาลูกไม้ดกละเกินเลี่ยมชั้นเชิงเนี่ยมากรมยิ่งกว่าแก้วตาแมวอีกมั้งนั่นแหลหลวงตาเนี่ยที่หลวงพ่อเห็นมากันเนี่ยหลวงตาเนี่ยเรื่องปัญญาชั้นเชิงครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆก็อย่างว่าท่านลูกสิทธุกหาไม่มากผู้เกี่ยวข้องท่านก็ไม่มากแต่หลวงตาเนี่ยโ อ, อ, อ, อ, อ้เข้าไป เแตะไม่ได้เลยว่างั้นแตะถ้าเข้าไปไม่ถูกที่ถูกทางระวังอหน้าแตกหน้าแตกยังไมไปแล้วยังพักงานอีกยังพักงานยังไปแล้วยังไล่หนีออกจากวัดอีกยังไม่ให้มาใกล้อีกมีหลายระดับเหลือเกินสําหรับหลวงตาเนี่ตามหลวงพ่อเห็นมากันนี้ไม่มีองค์ไหนคนคนในโลกนี่ว่างั้น ในโลกไม่มีผู้ใดที่จะยิ่งไปกว่าหลวงตาในชั้นเชิงเล่เหลี่ยมหรือสติปัญญ า, าที่จะเอากับคนหลวงพอ่อหลวงตาพวกพระเมื่อวานนี่ก็ได้ที่พวกศรัทธาญาติโยมมาวัดไม่เห็นหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไปนุ่นประชุมแบบกระทันหัน เขาเรียกอะไรประชุมสภาแบบอะไรไม่ใช่ธรรมดาประชุมแบบกระทันหันหลวงพ่อเขาให้หลวงพ่อนัดประชุมหลวงพ่อก็ น, นัดเอาไปวัดหลวงปู่บุญมี่อห้าโมงเย็นนุ่นตั้งแต่สกลนครท่านจุตธรรมท่านจังหวัดเลยที่มาประชุมหารือกันกนเรื่องนี่แเรื่องสถานีวิทยุของหลวงตานี่แหละ ประชุมหาลือกันว่าเอายังไงทํำยังไงพี่น้องบางทีถ้าไม่ไประชุมหาลือกันก็ไม่เข้าใจกันเพราะว่าตา่างนานาจิตตังนานาทัศนะถ้าประชุมหาลือกันมาพูดในที่ประชุมอันนี้ใครมองเห็นยังไงเราจะไปมองรู้หมดทุกอย่างก็ไม่ได้ต่างคนก็ต่างมองเห็นเหมือน ก, กับลบนก กระลางที่อยู่ในป่าในวัดของหลวงพ่อเน่ยมันนกทั้งมัมีทั้งหลายตัวบางทีเกือบสิบตัวอยู่ด้วยกันหากินด้วยกันบางทีกรล้องพอมันตัวหนึ่งมันเห็นคนใช่พอไม่เห็นคนมันกรล้องกา้กาแก๊กมาให้สัญญาณไงสัญญาณเนี่ยท่านกตัวที่มันเซอร์เนี่ยตัวนั่นก็ บ, บินไปทางนูอื่นแล้วเหมือนกันนะบินไปทางอื่นเพราะว่ามันเห็นคนทางนี้เนี่ยนก นกเซอร์มันก็ไม่ได้รู้เอเห็นว่านกตัวนั้นร้องขึ้นมาบินก็เลยตื่นไปบินไปหาคนอีกต่างหากตรงนั้นพ่อะอล้วมันไม่สังเกตแต่นกกระลังเซอรนะ์แต่นกกระลังตัวที่มันฉลาดตัวแล้วตัวเห็นก่อนมันร้องกาเ ก, ก๊กบินไปทางนน้นไอ้พวนั้นก็บินลุมไปตามเห็นไม่เห็นก็ต้องบินไปตามตัวนั้นก่อนเพราะตัวนั้นมันเห็นมันจึงบินไปนะอันนั้นแปลว่านกนกกระลังฉลาดออ แต่นกบางตัวมันเซอร์ได้ทัวร์นึงบินไปทางเรื่องอีกตัวนี้ก็บินไปหาทางคู่คนอีกโผล่ในถูกก็นั่นแหละถูกลูกกระสุนเขาอะไรตัวไห น, นอันนี้ก็เหมือนกันะการอยู่ด้วยกันพระสงฆ์อยู่ด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษาปารุกันใครเห็นยังไงมีความเห็นยังไงจะเป็นพิษเป็นภยัยเราก็ต้องมองคนหนึ่งเห็นมองหนึ่งคนอีกก็เห็นมองหนึงมุมหนึ่ง ต่างคนต่างมอง ม, มุมมุมแล้วจากนั้นก็นมาพูดคุยกันเอามาบอกกันถ้าว่าบอกกันแล้วยังชี้นาชี้แนะให้กันเหตุผลของใครเหนือกว่ากันถ้าว่าดันทุลังอไม่ได้เลยพระกรรมฐานอยู่ด้วยกัน เ, เหมือนเหมือนพี่พี่น้องน้องอรักกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันไม่ได้ถือโทษโกรธเคือง ถือไปทําไมอีกไม่นานต่างคนก็ต่างไปแล้วถ้าใครทําชั่วกันนั้นนรกคอยอยู่แล้วถ้าใครทําดีนุสวรรค์คอยอยู่แล้วถ้าใครละกิเลสได้นุ่นนิพพานมีทางไปอยู่แล้วเพราะนั้นของใครของเราจุดนั้นแต่การอยู่ด้วยกันในมวลการดูแลกันนผิดพลาด ย, ยังไงจะเกิดขึ้นในกลุ่มของเราชุมชนของเรามันต้องช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางออกช่วยกันวิธีการป้องกันในการเป็นอยู่ของพวกเรานี่แหละถ้าหว่าหลายหูหลายตาก็ดีดีกว่าตาเดียวดีกว่าสองตาถ้าตามีปัญญานะถ้าตาโง่เนะี่เป็นหมื่นเป็นแสนก็โง่ทั้งหมดซื่อบือทั้งหมดมันใช่ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าตาปัญญาตาใช้ปัญญาใช้ความรอบขอบ รู้เขารู้เรารู้เหตุรู้รู้การรู้การเวลารู้การละเทศะการจัฐานที่บุคคลถ้าเราอ่านออกช่วยช่วยกันอ่านในเรื่องราวต่างๆกลุ่มนั้นก็พิจารณาการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วกันเอาตัวรอดตดแต่มีแต่หัวชนฝาอย่างเดียวไม่ได้ละอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อวะเนี่ย หมู่บางองค์ก็บอกว่าหลวงตาสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องสู้อย่างนี้อย่าไปไว้ใจคนอย่างนี้แต่หลวงพ่อหลวงพ่อว่าหลวงตาสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้สอนว่าให้สู้หรือไม่ให้เชื่อคนอย่างเดียวท่านให้สอนให้อ่านคนให้ออกชั้นเชิงเล่เหลี่ยมเราจะอยู่กับชุมชนกลุ่มนี้ได้อย่างไร ถ้าเมื่อชุมชนกลุ่มนี้ไม่แสดงความเคารพหรือว่าไม่ไว้ใจหรือมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องอ่านอ่านคู่คนให้ออกดูด้วยสติด้วยปัญญาของเราถ้าว่าเขาเพียงแต่ความคิดอ่านชั่ววูบชั่วคู่ชั่วขณะเราก็ต้องดูแต่ถ้าว่ามีอะไรในจิตในใจยืนยาวนานคล้ายๆกับมีอะไร ให้อภัยกันไม่ได้ในสวนลึกๆอันนั้นเราก็ต้องระวังแต่ถ้าว่าเป็นโชคโกรู่ชคข้าวเราก็อาจจะมีเป็นโซ่ววูบเราก็อย่างๆไปดูถามดูเอาก็คงจบเป็นอารมณ์โชคครั้งชั่วข้าวขี่โมโหโกธากันนิดหน่อยอไม่เป็นไรย้วนแต่ถ้าว่ามีทีไรเก็มีแต่เรื่องที่จะเอาเรื่องเอาเรียมเอาสันเอา สันเอาคมหักเล่หักเหลี่ยมกันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเขามีเล่เหลี่ยมเราจะซื่อบื้อมันก็ไม่ได้ถ้าหากว่าเขามีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงเราก็ต้องพยายามมีชั้นเชิ ง, ล ง, เ, มมช เ, ชงเล่เหลี่ยมให้ให้ทันกับเขาถ้าหาว่าเขาเป็นคนซื้อซื่อตรงเราไปใช้เล่เหลี่ยมชั้นเชิงกับเขาอันนั้นแปลว่าเราขาดเมตตาเราก็ต้องมีเมตตาว่าเขา เป็นยังไงการเป็นอยู่ของเขานี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงตาสอนหลวงพ่อหลวงพ่อได้รับการศึกษาจากหลวงตาทั้งหมดถ้าเขาไม่มีเล่เหลี่ยมเราเราก็ต้องมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงถ้าเขาเป็นคนซื่อตรงเราจะไปเอาเลี่ยเหลี่ยมชั้นเชิงใจเขาไม่ได้นะขาดขาดเมตตาเนี่ยขาดเมตตาเมตตาธรรมในจิตใจของเราขาดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อได้รับ ไม่ใช่ให้ชนอย่างเดียวนะถ้าหลงาจะว่าไปหลวงตาสอนในระดับระดับหลวงพ่อระระดับสารสอนออแม่ทับฟงนไนดะ้สอนแม่ทับสอนผู้บริหารไม่ใช่สอนออหัวหน้าหัวหน้าพลหัวหน้ากองพันผู้พันมีแต่พาลูกน้องลุยอย่างเดียวหลวงตาไม่ได้สอน ไม่ได้สอนหลวงพ่ออย่างนั้นนะหลวงพ่อสอนหลวงตาสอนหลวงพ่อเนี่ยสอนระดับคล้ายๆว่าท่านสอนให้ดู อ, อขนาดที่ท่านมาวัดของเราเนี่ยพวกพระเดนพวกพระไปเดินขบวนชาวาบ้านไปเดินขบวนหลวงตามาหาเราเนี่ยไอ้ทำอินอย่าไปยุ่งนะฮไปซองยุ่งไ อ, อ, อ, อ้ดูไว้ภาวนาดูตัวเองดู ภาวนานะมันต้องย้งดอกเรื่องนะั้นเรื่องโลกนี่พวกนั้นพวกหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายทำไมท่านอาจารย์อินยังไม่ไปเดินขบวนข่าวนั่นเราเอ้ยหลวงตามาหาเราเนี่ยหเห็นไหมนะท่านมาบ่อยพวกท่านก็หลวงตาไม่เห็นไปแต่มาท่านมาหาเรา เ, เ่เราท่านสอนว่าอย่างไงเราก็ต้องฟังคําหลวงตาเฉวะท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งนะอ โลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยท่านคงจะ ก, กันกันไว้เรากันยังไงก็ไม่รู้แหะเรื่องของท่าน เ, นเราก็ต้องฟังท่านเอี่ยกว่นั้นพวกท่านทั้งหลายอผมบอกได้เลยว่าเนี่ยพระพุทธรูปมีหลายปางใช่ไหมเราปางปราบมารก็มีปางเลไลก็มีหนีจากหมู่ช้างป่าเลไลอปางสะดุ้งมารก็มีอ ปางขสมาธิก็มีเลปางห้ามญาติก็มีเลยพระพุทธลูกมีหลายปางเพราะนั้นพวกเท่าพวกท่านทั้งหลายอาจจะเป็นหลวงตาอาจจะใช้เป็นปางปราบมารก็ได้สำหพวกท่านแต่สำหรับผมเองนะท่านอาจจะให้เป็นปางสมาธิก็ได้เพราะนั้นเป็นปางไหนสุดแท้แต่พวกท่านพวกเราทั้งหลายจะเลือกเอาปางไหนเขาบอกว่า อาจารย์อินเห็นแก่ตัวเขาบอกนะพูดอะไรเข้าแต่เข้าแต่ข้างเจ้าของนะั่นเราก็ไม่ว่าและรเราก็หวัวเราะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงใช่ไหมถ้าว่าหลวงตาท่านมาเอถ้าว่าท่านจะให้เรานะบอกนะเราก็ต้องออกไปอย่าให้ท่านห้ามนะท่านบอกอย่าไปยุ่งนะเราก็เฉยเพราะหลวงตามาวัดเราเดือนละครั้งสองครั้งน้อยมากที่ผ่านผ่านไม่ได้มาเป็นเดือนนี่แหละ อันนี้ก็คือแนวความคิดขององค์หลวงตาเราก็ต้องฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านหลวงตาที่ท่านนั้นท่านจะให้ทำยังไงแต่บางครั้งหมู่พวกเพื่อนประชุมเขาก็จะยกให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นแม่ทับเป็นแม่ทับนายกองตรงพ่อย่างอย่างอย่างอย่างอย่างยังยังไม่พร้อม เพราะเหตุไรเพราะว่ามันมันต้องดูชั้นเชิงซะก่อนเราจะลบยังไงพ อ, อเราจะลดลบยังไงเราจะสู้ยังไง เ, เราไม่ใช่ว่าหลับหูบหลับตาเขาไปสู้ไปไปตีเขาเลยไม่ได้นะ เ, เราต้องออรู้เขารู้เราเรู้เรื่องรู้เราอ่านให้ทีท่วนซะก่อนออถ้าเมื่อทีทวนแล้วยังค่อยว่ากันอันนี้ถ้าเมื่อเรายังไม่ได้อาา่านให้ทีท่วน เราชนะไปแล้วเราได้อะไรคิดดูซิเราเราชนะแล้วได้เราได้อะไรเราอยู่จากนี้เราเสียอะไรมันต้องอ่านให้ทีท่วนทุกอย่างไม่ใช่ว่าตีต่างคนต่างเจ็บขึ้นมาแล้วกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นผมเองมันต้องดูนะดูนะดูดูเขาดูเราดูเหตุดูการดูเรื่องดูเราดูความ สิ่งทุกอย่างถ้าหากว่ามันได้ประโยชน์ชุมชนสังคมต่อพระพุทธศาสนาเออไม่ว่ากันมาเท่าไรเท่ากันหลวงพ่อจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยไม่ใช่ว่ามีอะไรกับออชนไปเรื่อยไม่ใช่ต่าจะว่าไปลงตาสอนสมัยก่อนสมัยท่านยังเป็นหนม ท, นท่านอยู่ในระดับที่สอนท่านก็อีกเนี่ยท่านสอนชั้นเชิงเล่เหลี่ยม ยืดจุน่นความถูกต้องเป็นธรรมเหมาะสมอย่างไรเขาเราอย่างไรมีเมตตาอย่างไรควรจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่ทางว่าถ้าท่านดูแล้ว่ถ้าท่านพี่นาไม่ดูดูแลมันไม่ได้เรื่องนอย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าเข้าไปกับมีต่เสียนี่นั่นแหละหลวงตาจะซัดอย่างเต็มที่เลยเลย แปลว่าไม่เผาผีกี่กระดูกกันเลยแนหะอันนั้นก็มีมากต่อมากที่หลวงพ่อเห็นหลวงตาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ่ารดูดุจริงๆเหมือนกันดุจนน่ากลัวเลยล่ะแต่ว่าเมตตานีกนน่กระเด็นะก็ดูแต่เราเรามองมองดูแล้วหลวงตานี่ยชั้นเชิงเลี่ยเฉลี่ยจิติปัญญาของหลวงตาเนี่ยเยี่ยมสรุปแล้วการดูแลบริหารจัดการทุกอย่าง เป็นศีลเป็นธรรมไอ้ต่างหาแต่ใจของท่านเป็นธรรมนะถึงจะดุยังไงก็าตามแต่ใจของท่านน่ยไม่ได้ดุไปด้วยแต่คนนั้นน่ะคนที่ท่านดุนะ่ะมันมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงมันไม่เป็นธรรมท่านก็เลยฟันเลยแต่เรียกว่าฟันกิเลสนะพูดง่ายๆนะรับพรในตัวเนะ น, นินเหลวงพ่อนานๆหลวงพ่อยะได้พูดแนวความคิด ของพระให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา